ปับมาหลายรอบตั้งแต่ทม่งดินตั้งแต่อัดดินตั้งแต่เทดินเททายเทซีเมนแล้วก็มาปูกับเบือ้องว่ามันจะแน่นได้ใจของเราที่มันประสานสั้นเซนไปแต่ละวันเหมือนเม็ดหินเม็ดทรายล้วก็รวมเข้ามารวมเข้ามาพอรวมเข้ามาแล้วมาทุบมาตอกมาแน่น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 ช่วงใหม่ๆเร้จะเกิดความอึดอัดความหมุดหิดความลำคานความขี้เกียจเพราะอะไรเพราะมันเคยไปแล้วมันไม่ได้ไปใช่ไ้ยมันเคยไหลแล้วไม่ได้ไหลมันจะอึดอัดแต่เราก็ทนเราทนทำไปทนทำยกไปเรื่อยๆเอย่างนั้นแหละเขาเรียกบำเพ็ญวิริยะบาลมีไปก่อน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 พอให้อะไรให้ความคิดออกไปความคิดที่มันคิดเนี่ยสลัดมันออกไปให้มันออกไปเหมือนกับเราไปวิจาเหมือนเราไปถอนหญา้าดึงมันออกไปคนนั้นเอาเอาโป่งนั้นออกไปตัววิจาเนี่ยเอาน้ําทิ้งออกไปทิ้งออกไปไม่ให้น้ําเก่าเข้ามาเอาน้ําใหม่ไม่ให้น้ําใหม่เข้ามาเอาน้ําเก่าออกไปนี่เรียกว่าปรมาภปา ร, ปรามีคือ เอาตัวดีที่สุดตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานเนี่ยเป็นของสูงเขาเรียกปรมาจา์ให้โอกาสเข้ามาแล้วเอาของที่มันต่ำๆเที่ยๆออกไปเอาความคิดความรักความชอบความอิจฉาเพียบบาทความหึงหวงความพี่เกียดความอหัดขัดเครื่องพวกนี้ของต่ำเอาออกไปนะเอาของสูงเข้ามาของสูงคืออะไร ศีลคสมาธิปัญญาคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพวกนี้ความขยันมันเพียนความเ อ, อื้ออารีความมีน้ำใจให้มันเข้ามามีเขาเรียกปรามัทธปรมีนะเพราะนั้นเบื้องแรกที่สุดคือมาบำเพ็ญทานโอกาสให้โอกาสกับตัวเองนะให้เวลาตัวเองได้มายืนมาเดินมานั่งมานอนอย่างสงบนะทำ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 แนีคำว่าอุปาปารมีนอกจากออกบ้านจากเรือนออกจากความเคยชินเชินเวลาเราเคยชินจะไปกินไปเล่นไปเสพไปสุขกับเรื่องนั้นเคยกินสามมื้อก็ให้มาเหลือมืมม้อเดึหรือสองมื้อเคยนอนแปดชั่วโมงก็มานอนสักสี่ห้าชั่วโมงเคยทำอะไรที่เคยชินมันสะดวกสบายนะเราไม่ทำตามมันนี่เขาเรียกมาออกจากกิเล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 ใจิตใจของเราที่มันเคยทุกข์เคยมืดเคยมัวเคยกลัวเ ค, เคยเคยงแรงต่างใจิตใจของเราขุ่นมัวแล้วก็หาสวิตไฟสวิตไฟคืออะไรสึิไฟคือสติคือสติไฟคือคือตัวสมาธิที่อยู่ในสายไฟไฟที่อยู่ในสายคือสมาธิปัญญาก็คือมันให้แสงสว่างนี่ตอนแรกเราก็มีสวิตเท่ก่อนไม่มีสวิตสวิตปิดเปิดนะ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 หยุดมีสิใช่ไหมเรานับหนึ่งอันนี้หยุดนะ2เคลื่อน3หยุด4เคลื่อน5หยุด6เคลื่อน7หยุด8เคลื่อน9หยุด10เคลื่อน11หยุด12เคลื่อน13หยุด สี่เคลื่อน15หยุดส6หเคลื่อน17หยุด18ปเคลื่อนส9เก้าหยุด2ีสิเคลื่อน21็หยุด22สองเคลื่อนย3หยุดย4สเคลื่อน25ห้ายุดย6หเคลื่อนย7็หยุดย8ปเคลื่อน29สเก้าหยุด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 อาจะออกอยู่ที่ข้างก็ที่ข้างจำไม่ได้เลยแสดงว่าคุณสังเกตไหมว่าฐานจะเข้าขึ้นที่ข้างอยู่ที่ข้างขึนสองแล้วหยุดอ่ะอีกสองขึ้นตอนไหนอยู่ตอนไหน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 อ่าคุณมัวเนี่ยมันก็ค่อยเย็นขึ้นค่อยสว่างขึ้นเพราะอย่างเดียวยังจะขยันทำอย่าขาาี้เกียจถ้าขี้เกียจทำเรามันก็ไม่เกิดนะเหมือนกับเรามาชิมของใหม่เราก็ต้องทำเอาชิมให้กินให้อิ่มแหละเอาของเก่าที่เคยติดมาทิ้งไปก่อนเคยนั่งแบบไห น, นมาทิ้งไว้วางไว้ก่อนนะลองมาทําแบบนี้ดูเสรยจแล้วมันสบาย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 เราเป็นภรรยาแม่บ้านเราก็ไปบอกสามีสามีเขามีบุญเขาก็รับได้จะ เ, เป็นอาสามีเราไปบอกแม่บ้านแม่บ้านเรามีบุญเขาก็รับได้ลูกหลานของเราคนไหนมีบุญเขาก็รับได้ก่อนคนไหนมีบุญน้อยเขก็ยังรับคนไหนมีบุญน้อยแล้วก็เพิ่ม บ, บุญให้เลยขยันบอกขยันสอนขยนันทาความดีให้เขาขยันรับใช้เขาเพราะเราปฏิบัติธรรมเรารับใช้คนปีนแล้ใช่ไหมรับใช้อ ย, ย่างดีเลยเดี๋ยวเขาก็เห็นใจเห็นใจเขาก็ทําตามนะ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 แต่ต้นไม้ที่ท่านไปนั่งแล้วปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมท่านจึงเรียกต้นว่าต้นโพอาจจะเป็นต้นอะไรก็ได้แต่เราสมมติต้นอาสสัตตพุทต้นนี้ที่ต้นโพที่เราปูกไม่ใช่ชื่อต้นโพนะชื่อต้นอัสัตตพุทอัสัตตพุทธพอผู้เรียกไปนั่งใต้นั้นได้แต่สัตว์นั้นแล้วเปลี่ยนตัวสัตว์เป็นต้นโพโพที่แปลว่าปัญญาเคลื่อนตัดสรู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 เจะเดินดูเลียวนะ่าเดียวหลังเน้เนินตะ ก, กอนเราเดินตางเราเดินต่อนะตามมายงเดินต่อให้เนินตะกอน <c oughs> เดินเดินกลุ่มรอบมาก่อนครั้งเราเดินตามก็ให้ทันนะนทิ้งช่วงห่าง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 ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้สติสัญญาก็เดินฟรีเฉยๆนะอ่าอุบายสุไปต่อสัมเนธขึ้นทางน้นขึ้นทงน้นกลับมาขึ้นขึ้นทางนีนน้ต่อสัมเนธเลยบายสุกไปต่อสัมเนธอุบาสิกามรานิ้ตให้ลบ